ครัธนะงทมต่อเราพยายามศึกษางานพระอาหุนเมจิตทำปกไิดนในการศึกษากอบเมล็ดายขึ้นกอบมหนึ่งย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 ในมิจฉาเนี้เราต้องศึกษาจริงใดเป็นเที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์จริงใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นมาใช่อตัว ต, วตวนไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราไม่เห็นไม่ได้ศึกษาอย่างนี้เห็นโลกโลกคือหมสัตว์ อันเชลานำเข้าไปครอบงำอยู่ไม่มีใครต่อตา้านไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บไม่มมให้ตายมันก็ตายนี่ความบกพ่องอยู่เป็นนิดโลกไปนี่ บลกพ้องอยู่ทุกอย่างไม่แต่ความทุกข์ก็บกพ้องความโกรธก็บุกพ้องความโลภก็บกพ้องความหลงก็บุกพ้องไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักเบื่อความหลงไม่มีประโยชน์ก็ยังหลงอยู่ความโกรธไม่มีประโยชน์ก็ยังโตร อ, อยู่พอใจในความโกรธ ตอนดีความทุกข์ก็พอใจในความทุกข์จะทํำยังไงมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วจะทำยังไงจะต้องยอมลองให้เสียใจหัวโล่จูหรือว่าเราจะไปไหนกัน่ะ ลองมาอุทิศทำตามพระพุทธเจ้าอยู่อุทิศลรหันตังสามหาสามพุทธทางอุทิศต่อพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าแต่ก่อนเป็นสามัญชนไปปื้ชนทำอย่างไรจึงได้ชื่อพุทธเจ้าจึงมาเห็นเรื่องนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมคือเห็นอะไร เูได้เห็นธรรมเอนั้นเห็นป่าดิจมัเได้เห็นป่าิจิมัพื่อนั้นชื่อเห็นธรรมเพื่ออะไรล้วก็ว่ากันอยู่เป็นพระสูตรนคำสอนอุทิศอหรหันอุทิศอหันต์งรา จะถอดในธรรมะลายกู่เียนอกอย่ยเขียนอกกู้เหยนเข้ารู้สึกมันจะเห็นอะไรเห็นหลงเท่าไอย่าให้หลงฟีมีสติเป็นหน้าโลกได้ไหมอย่าไปเพ่งอยู่ในความจบความทุกข์อย่าไปเพ่งอยู่ในความรู้ ความรู้ใช่ได้เลยมันหลงกว่ารู้ไม่ได้ไปหานั่นแหละใช่นะว่ามีสติถ้าหลงเป็นหลงไม่มีสติในความหลงน่ะม่มีสติมีความรู้มันมาท่านใดให้รู้มีสติเป็นหน้าโอกไม่เหมือน ให้เหมือนตาหน้าหน้าโลกหมายถึงตาในตัวสติปัญญาไม่เหมือนตาเนื้อตาเนื้อไปทางเดีย ว, เ, ยวเห็นเจอข้างหน้าข้างหลังไม่เห็นตาตาในมันไม่หน้าโลก มันคิดก็เห็นมันสูข ก, ก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นมันลักมันเขียดชังก็เห็นมันพอใจมันไม่พอใจก็เห็นตาเห็นลูกก็เห็นอีกตาหนึ่งหูได้ยินเสียงก็เห็นอีกตาหนึ่งสมูกได้กินิได้รอดกายสมผัสใจคิดนึกเห็นอีกที่ว่าหน้าโลกใอ้ใช่อย่างนี้ผู้มีสติเป็นหน้า พรียกวาีหนาศกไอเจงขนาดนั้นหรือว่าผีหนาศกผีหนาศกคือพระรหันต์ถ้าหลงเป็นหลงไม่เหไปเป็นฉีหนาศกทุกเป็นทุกไม่เป็นฉีหนาศกสุขเป็นสุขไม่เป็นฉีหนาศกดีใจเสียใจไม่เป็นฉีหนาศกผีหนาศกคือเห็น ไอเห็นแล้วมันก็ไม่เป็นนี่ว่าหน้าหน้าโลกที่ราศกคือพระอราหารันต์มีสติเป็นหน้าโลกไม่เผอมีสติเป็นวินยในวิในายอากหลงไม่หลงนั่นแหละวินำไปแล้วนำจากมันจะคงหลงไปสู่คงไม่หลง ว, วิเศษนัยยะนำไปนำไปสู่ความวิเศษไม่หลงมันดีกว่าความหลงก็มันเห็นไม่ทุกมันดีกว่าความทุกไม่โกรธมันดีกว่าความโกโกรธไม่วิตกกันวนวงวลเศร้าหมองมันดีกว่าความวิตกกันวนวงวลเศร้าหมองนี่จะว่าน้าโลกป้ายขีนอโศกผู้มีสติเป็นวิได วิไหนมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปรวหวังสมหลวงเดินย่องย่องไม่ใช่ใช่ให้มันพ้นไปให้มันพ้นมันหลงคนเจ้าหลงมันทุกคนเจ้าทุกข์มันอะไรต่างๆเรียกว่าศีกขาและธรรมเป็นเครื่อเรื่องชีวิตเราได้ชีวิตเพราะเรื่องนี้ในชีวิตคือร่างกายจิตใ จ, จ อันนี้เ่ชีวิตแบบนี้มันเกิดเจ็บเจบตายให้กายมันใช้ให้ใจมันใช้กายมันก็ใช้ได้แต่มันใช้ให้ร้อนให้หนาวให้สุกให้ทุกข์ให้หิวให้ปวดให้เมื่อยอันนั้เป็นกายกายมันใช้อย่างนั้นเกิดเจ็เจ็บตายไปเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายไปอันร่างกายจิตใจเนี่ย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 ตื่นแต่เด็กสืบตน้นนมเอาไว้อย่ารอให้เท่าให้แก่คนเจ้เท่ายอมทุลักทุเลมากเั้นตาบอดข้างภาคฝั่งกองหนาเหมือนกันใต่ไปลำขาดคำมาจิริยาแสนทุลักทุเลแหล่ต้าไมาอยากให้ทุลักทุเลมากจงข้ามภาคแต่หนมหนมคนตนแก่มันจะจะาดู๋ แล้วก็เห็นคนเจ็บเห็นคนเจ็บกับ ค, คนตายตวอัมโกธก็เจ็ความลักก็เจ็เจ็บตรงนี้ตกก็มันเจ็บพระอมโกธเจ็บพระความรักเจ็บพระความทุกข์มันก็ตายอยู่ตรงนี้เหนือซะเหนือเจ็บซะเห็นมันให้มันพ้นซะ ตายมาเกิดดอกเกิดดอกจนกลมลักก็แชื่อกลมลักก็ไม่เที่ยงกลมลักไม่ใช่ตัวตนจึงใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนจึงได้ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดว่าตัวว่าตนถ้าไปยึดเว่ารักคือเราโอเคเจ็บตาย ถ้าเรีกว่าโกรธคือเราก็เจ็บเจ็บตายถ้าเรียกว่าทุกข์คือเราก็เรียกว่าเจ็บเจ็บตายเกิดมาเพื่อเจริรักเพื่อเจริเพื่อเจ็บเพื่อตายโกรธเพื่อเจริเพื่อเจ็บเพื่อตายดีใจเสียเจเพื่อเจริเพื่อเจ็บเพื่อตายไม่รู้จะขี้หลับหมกพ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จะเบื่อเอาให้มันพ้นซะ ชิดตังเมคนแล้วคนแล้วพนลโว้ยคนละโวยเหมือนคนชีเสือเห็นไหมคนชีเสือน่ะบอกให้จารย์ทรงฉินเขียนนะชิดตังเมให้ก็ยังไม่ได้เขียนนะชิดตังเมเป็นภาษาบาลีคและโวยตอนเรา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 ฝึกนฝึกตนสนตนเ ต, ตือนตนแ้่ขยิบตนจึงจะเรียกว่ามนุษย์เป็นจตเสือถ้าหลงเป็นหลงไม่เป็นมนุษย์ถ้าหลงเป็นไม่หลงเรืยกวมนุษย์ถ้าทุกข์เป็นทุกข์เรื่องคนถ้าเป็นทุกข์ไม่ทุกข์คนจะทุกข์เรยวมนุษย์ ป็ประเสริฐมันมีหลงจึงพ้นจากหลงมันมีทุกข์จึงพ้นจากทุกข์มันมีเกลีจึงพ่นจากเกลมันมีเจ็บจึงพ้นจากเจ็บมันมีตายจึงพ้นจากตายนี่คือมนุษย์มนุษย์โศปฏิลาโภเป็นมนุษย์เป็นลาบเันประเสริฐ ว้มันทำแบบนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่ใช่ลาบมีแต่เขาเขีเขยนเบภไยโกดนานหลุนนา น, านเป็นวิบากเป็นกรรมเป็นกิเลเหันขนสุบุรีโ็สุกจึงติด เพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูบเพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูบเพราะสูบจึงติดนั่นแะคิเล็ดกำมือเบากนานเท่าไหร่บางคนไม่สูกไม่สูบไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สูบเพราะไม่สูบเพไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สูบเพราะไม่สูบเพไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยาก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 ถออ้ายังหลงอยู่ต้องศึกษาละ่ะถออ้ายังทุกข์อยู่ต้องศึกษาถออ้ายังโกรธอยู่ต้องศึกษาถ้ายังดีใจเฉยใจหัวเราะร้องไห้ไม่ตกเงินเสียสมองต้องศึกษาแต่หลงย่อยออกให้มันได้เต่เนื้ออะไรที่ไม่ใช่เนื้อให้หมดไปอย่าเป็นบ้าห่อฟาง เอาทุกอย่างกกาทุกก็เอทุกก็เอหลงก็อาแลก็เอกียรชังก็เอ า, ค, ากกเนคนที่เรากับบางคนที่เกียรชังนั้นพะลวงพะหลั ง, ลงถ้ามีความสุขก็ขมีความทุกข์คู่กันถ้ามีความรักก็มีความเกียดชังคู่กัน โลกมันมีรสชาติแบบนั้นจอดโลกติดโลกเหมือนปราติดเบ็ดผู้ที่มีความโกรธก็ติดความโกรธได้อะไรเอาความโกรธออกหน้าออกตาผู้ที่มีความทุกข์ก็ติดความทุกข์ได้เจ็บใจออกหน้าเอาใจเป็นรองรับใช้ใจรองรับทุกอย่าง กระทบไม่สักแต่ว่าเราไม่มีสติเป็นหน้าโลกตเห็นโลกูกมันก็มากระทบที่ใจส่งมาที่ใจหูได้ยินเสียงก็ส่งมาที่ใจจมูกได้จีนส่งมาที่ใจจมูนส่งมาที่ใจลิ้นเลยลดส่งมาที่ใจกายสัมผัสส่งมาที่ใจใจก็มีใจเป็นในใจในใจิตไหนใจิต กระทบเหมือนอายหน่าดานเหมือนตับใช่ไหมคุณหมอตับเป็นหน้าดานแนวหน้ากินอะไรลงไปอารมณ์รกระทบใจรกระทบตับอารมณ์รกระทบตับ กินเหล้าลงไปกระทบตับกินเนื้องลงไปกระทบตับโกรธกระทบตับแก่ไหมหมอแมนมบอกระลักโกรธกระทบแล้วห ล, ง, หลงตา อ, อ่านตำลาวิตุ ก, กังวลกระทบหัวใจมันมีหัวใจไหม หัวใจอยู่ตรงไหน <laughs> ที่ตัวงวนกระทบหัวใจอะเครียดเครียดกระทบอะไรกระ อ, อาหารใจบเครีย ด, ดกินข้าวแช่บ๊ะรับรองกินข้าวไม่ลงอ ะ, อะว่าเวอะไรหมดอะไรน้อยเนื้อจังใจกระทบ ป, ปอด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 จังไปโซอีกเป็ดจโลกสัตว์ดีรไรฉานอบเยภูมใบโรนน่ากลัวนะยาประมาณปล่อยให้มันโกรธได้ไงตับมันมีะปล่อยให้มันเทียดได้ไงหัวใจมันมีปล่อยให้มันเศรโศกวิถตกมลเท่าไหร่เพราะอาหารมันมีปอดมันเมีเราต้องเอาใจถึงเหล่านี้ เราจึงให้มีหน้าโลกเอาไว้ให้มันไม่เป็นอะไรปลอดภัยที่สุดไม่เป็นอะไรกับอะไรในเวลาไหนไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรหัดพูดเอาไว้หัดคิดเอาไว้อะไรน้ดน่อยไม่เป็นรายเจ้าความมันเป็นเช่นนัตเองให้พูดจยางนี้ปัญญาอายุวัฒนะ ถ้า ใ, ใครยังมีเป็นคำพูดบ้างไม่เป็นลายช่างหัวมันเป็นเช่นนั่นเองนียกว่าอย่ารักษาโลกได้ทุกอย่างอยาอายุวัฒนะผลล่าที่หนังไม่เป็นไรลองไปสามลาาผลลาาที่สองช่างหัวมัน ลากที่สอบมาลองไปเป็นเช่นนั่นเองแล้วเล้วกันไปแล้วไปแล้วอย่าถือสาหาเรื่องสิ่งที่แล้ยวก็แล้วไปอย่ า, อามาคิดอั น, นี้ราะห์ผลอย่าอายุวัฒนะอย่าพูดว่าไม่ยอมไม่ยอมอย่าพูดอย่างนั้น กูไม่ยอมถ้ากูได้โกธร ก, ก, กูไม่ยอมมึงรู้จักกูโกธไหมถ้ากูได้โกธไม่ยอมใจกูนี่มันไม่ยอมใครอันตรายไม่เป็นไรไม่เป็นไรอัดไว้อย่างนี้นช่วยสติสิ่งเวรรองสติ มีเมตตาโงนาลงไปทำเชิงใดคิดเชงใดพูดเชงใดมีเมตตาโงนาเป็นเพื่อนกันไปอย่าจนกุศลอย่าจนบุญตลาดแห่งบุญไม่เยอะแยะอาภัยทานก็เป็นบุญไม่เป็นไรก็เป็นบุญ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 อย่าได้ไปบาดล่างบางของบาปล่างบางมันเลยไม่ได้ไปเห็นอะไรก็แพ่ไปใจมันกวงใหญ่ไม่มีอะไรขวงกั้นแม่น้ําภูเขามหาสมุทรจะขวงกั้นความเมตตาการรูหนาของเราไม่ได้แพ่ไปอย่างยุคสบายสิ่งมันจะยิ่งใหญ่มากอย่าคักแคบ ช่องน้อยน้อ ย, อยให้เหมือนกว้างใหญ่ไพสาลควณความดีของเราที่มีชีวิตนี้เราจะใช้ชีวิตนี้ไม่มเบี่ยเบนตัวเองเอาไว้เราจะใช้ชีวิตนี้ไม่มเบี่ยเบนคนอื่นเึงออื่นวัตถุอื่นเดีคขาดหนึ่งละเราให้ให้ใหมันมีสิ่งแวดล้อมมันจะงอกงามในคุณในธรรมได้ยังหงืแท้งสิเหล่านี้ เรืที่เราที่ช่งมันไม่มันไม่ไม่มีสิ่งวแวดล้อมเหมือนปลูกข้าวหนภลรานหินปลูกข้าวไหนที่แล้งเหมือนเนื้อนามไม่มีน้าฝนทำอะไรไม่ได้ไม่มีมล็ดพืชมล็ดแห่งโพธิคือจติต้องมีที่ปลูกมีน้าเนื้อดิน ศรัทธาความเชื่อว่าทำดีก็ดีสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเหมือนล่อเขียนหัวตามรอยเท้าของโขฉันนั่นเห็นไหมหัวเทียมเขียนอยู่โน้นสัตว์โลกย่อมไปไ ป, ไปตามกรรมตัททำกรรมดีก็ย่อมดีทำป ว, ชวงชั่วย่อมชั่ว เัตนณาว่าการตั้งบปังอัตนาบาวิสุทธิยาสุทธิอสุธิปัจเจตตานโยอันยังวิโสทเทวีตุกคอนวังเพื่อเช่นใดย่อมได้รับผลเชล่นนั้นผู้ทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทําความชั่วย่อมรับผลชัว่วเหมือนลอยเกียนเหมือนตามลอยเท่าของโคฉันนั้นกรรมคื อ, อการกระทง คิดอะไรพูดอะไรทำาถึงไหนมีกรรมหมยังคิดชั่วไหมยังเบียดเบียนตนเองไหมยังเปลี่ยนคนอื่นไหมนันก็ยังมีกรรมอยู่สละออกหรือ ว, ว่าทำบุญสละอารมณ์เน่าละความชั่วทำความดีมีสติเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นพลัง มีสติมันก็เลาความชั่วแล้วมีสติมันก็ทำความดีแล้วมีสติกินก็บริสุทธิ์แล้วมีสติก็รักษาเสร็จแล้วทำบุญแล้วเรามีสตินี่เราไม่ได้คิดอะไรมีแต่รู้รูมันก็เป็นบุญแล้วใจไม่เป็นไรมันสูกเห็นมันโศกเนี่ยมันรู้แล้วเป็นบุญแล้วมันทุกข์เห็นมันทุกข์เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลแล้วฉลาดแล้ว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 มาจากไหนก็แบกไปด้วยวีกายนี่ก็ยังแบกมาตัวโกรธเกิดที่ใดก็ยังแบกมาเป็นภาระบุคคลเลยเป็นผู้แบกของหนักพาไปการสลัดของหนักทึ่งเสียเป็นความสุมขต้องมาเหยียบบุคคลหนักขึ้นอันอื่นขึ้นมาอีกพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วจิต กายใจของเราไม่มีอะไรปรงแต่ไม่ได้ต่อไปมันชิ่นไปแล้วมันชิ่นไปแล้วชิ่นไปแล้วถึง น, นิพพานนะัตยังอยู่ทํางไนมันทำได้มันทำได้ไดบัตรที่บัตรได้ให้ผลได้ได้เย็นไหมแล้สวดทวุ่วัน ทรมันบระู้มีภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วความหลงไม่ถูกต้องามไม่หลงถูกต้องามทุกไม่ถูกต้องเลยความไม่ทุกถูกต้องกว่าผมโกรธไม่ถูกต้องเลยามไม่โกรธถูกต้องกว่าอย่าหน้าด้านอย่าดื้อกันมากเกินไปการดือ้อแบบนี้หร่าปุถุชน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 เหมือนบัวเทน้ำไม่มีโอกาสมารล้ธรรมนะส่วนพูดใดพอมันหลงรู้หรือว่าอุคติตนยูคนลเหมือนบัวพ้นน้ำง่ายง่ายหลงหนึ่งครั้งอาจจะได้อาจจะดีกว่า คนอื่นหลงสองข้างสามข้างเช่นพระอาณาคามีบุคคลภบเดียวพบเดีย ว, ยวอาณาคามีบุคคลผู้มีพบอันเดียวภพคือความละความทุกข์แปบ๊บเดียวเฮ้ยเอาแล้วหมดแล้วไม่มีกแล้วในความทุกข์เรนั้นชิดไปเลยแต่ปุถุชนนี่ กี่ภพกี่ชาติหนาในความโกรธคนหนาอยู่กับคนคนนั้นไม่มีพบอันเดียวเกิดภพร้อยพบพันพบพันชาติเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเลิกเกิดเกียดชันอยู่ตรงนั้นเรียกว่าปุถุชนอาณาคามีบุคคลในภพเดียวแต่อรหันไม่มีพบภูมินี้เลยไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้ว พ้นแล้วนะาติสิ้นแล้วผวามไม่ฉอยู่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วเนะ่มีอยู่อย่างนี้นะชัดจะทำหาที่ใด้ไปพบตรงหาที่ชีวิตเหล่านี้นั่งอยู่นี่หรือว่าตู้พระตรปิฎกมีหมดทุกอย่างมีพระสูตร มีพระอภิธรรมมีพระวินายเรียกว่าปีดุกปีดุกไปว่าตะ ก, กา้าใสของสามใบก็สูตรก็คือกายเวทนาจิตธรรมมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมี่าจีขันหน้ามีไหม อยู่ในชีวิตไม่ชีไม่ไหมมีลูกไหมเอาเอาเอามือหยิกกันดูสึกเจ็บไหมน <laughs> ันก็มีลูกอ่ะนั่นก็มีเวทนาเจ้งกิดมันก็เจ็บไม่มีอาหารก็หิวนั่นมีลูกไม่เวทนามันเป็นสูตรของมัน อย่าไปตูออกเวลาโยงกัดต้องเก็บอย่าให้ความเจ็บเป็นถูกเห็นมันเจ็บถูกต้องแล้วโยงกัดมันเจ็บถ้าโยงกัดไม่เจ็บมันไม่ใช่แล้วอันตรายแล้วถ้ามันคันเล็กหน่อยมันดีแล้วจะได้เก่ากันเก่าเนี่มันดีนะมันดียังไงมันเอาพิษออกเอาพิษออกเพราะมันกไฟถูกมันเจ็บ ตดออกไมันเจ็บไม่เจ็บเลยอันตรายเป็นมะเหลงไปแล้วที่นั่นเป็นมะเหลงนะไม่มีอาหารในเพราะมันหิวถูกต้องแล้วเป็นโซดของเขาถ้าไม่หิวว่า ม, มีอาหารนะตายแน่ไม่เหลืออย่าไปทุกเวลามันหิ ว, วอนั้นเลยว่าถูกต้องแล้วอะไรก็ออกมาทุกไม่ใช้ อิ่มก็เป็นโศกหิวก็เป็นทุกข์ไม่ใช่มันอิ่มมันก็อิ่มเฉยเฉยไม่ใช่มาสุขอย่าเอามาเป็นสุกเป็นทุกข์อันสูตรนี้ให้เห็นฉักแต่ว่ากายฉากแต่ว่าเวทนาฉากแต่ว่าจิตฉากแต่ว่าธรรมมันจึงจะจบสูตรหรือว่าสถารันมันจบจบแล้ว โสดเป็นสูเป็นโสดไปถึงตั้งชื่อเนี่ว่าสถาบันเลยทีเดียวสถาบันสติฐานเลียนให้มันจบซะสูตรเนี่ยอย่าให้เป็นการบ้านอย่าให้เป็นภาร ะ, ะต่อไปจะได้แกของชงตะเกียงช่วยกัน ประเทศไทยชัปรดไทยดีดีเมืองไทยนะไม่มีประเทศไห น, นดีเท่าเมืองไทยอย่าทลบว่ากันเลยเห็นคุณค่าของประเทศไทยหลงตาลเห็นคุณค่าเวลาเราเจ็บแค่ได้ป่วยเห็นหมอเห็นพระบาทมหาเทพธิดาเทพประภูต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 ไม่รู้ว่ใครจำไม่ได้ไม่เห็นไปยืนเกาะกระจกน้ากระจกนอกห้องเปนหน่อที่หลงตาอยู่ห้องไอ u ียูตายไปแล้วหายใ้ไม่ได้แงบแงบอยู่เห็นยืนเกาะกระจกน้าตาร่วงเป็นแถวแถวน้องตาก็ยังสงสารกับโอ้ยมาลองให้กับคนไม่มีทุกข์ยังไงนาะมันสนุกป่วย หายเจไม่ได้ก็สนุกไม่เห็นไม่ทุกตรงน้อยพูดก็พูดไม่ได้แล้วขอปากกามาเขียนญาติโจมที่ยืนอยู่ก็บจบข้างนอกไม่ต้องเป็นห่วงหลงตาหลงตามีชีวิตเป็นส่วนตัวมากที่สุดไม่เห็นทุกข์อะไรไม่เดือดร้อนตรงไหนพากันกลับบ้านได้ให้ไอ้ปักไอ้นอดเอากระดาษเอาไว น้ำลายผมปากให้หลานสองคนไปยืนเอาผ้าเชิดกระดาษเ ช, ช็ดช่วยเช็ดน้ำลายใหเวลาคนหายใจไม่ได้ใช่ไหมปากมันมีน้ำลายเป็นฟองตุ่ด <c oughs> สนุกสนุกนะเขียนออกไปก็ยังไม่หนียังยืนร้องให้กันอยู่อย่างคนไทยเราก็ไม่อยากให้เราตายก็มี คนอยากให้ตายก็มีสร้างหัวมันสร้างหัวมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คนไทย <c oughs> <c oughs> อ้าวอ๋อแปรมาจากสาระจ่าบบ้าหลงก็คป่วยเป็นก้นเนื้อในตับยังไม่มียายังไม่มียารักษาเลยเอามาอ่านหมอกับคนคนอา่านแล้วก็นอนหายใจแยแยบยวม หมอก็ยืนฮะยังไม่มียารักษาเลยเป็นยังไงแล้วก็รู้แล้วโรคหวังอย่างรักษาได้โรคหวังอย่างรักษาไม่ได้ตายเท่าไหร่แล้วพอ่อเราก็ตายแล้วไม่เราก็ตายแล้วพุทธเจ้ากว่า น, นี้ผ่านไปแล้วหลวงพ่อเทียนก็ตายไปแล้วหลวงพ่อเจริญก็ตายไปแล้วเรากําลังเข้าชิวกันพอดี ไม่เห็นกลัวเลยหมอ อ, อยู่นี่ก็เห็นัางนั่นแฝกมาหมอที่นี่ก็แฝกไปว่าโรค้อเนื้อในตับบวมมันเกิดจาก้อเนื้อโตเร็วในลำคอต่อมน้ำเหลืองไปสู่ตับตรงนั้นก็แฝกมากทันทีเออถ้าอย่างนั้นรักษาได้ จีโมให้หลวงพ่อโดยด่วนให้หลวงพ่อได้หายใจได้พระเจ้าปฏิเสธวิธีการรักษาเงินใดทั้งสิ้นนอกจากให้จีมโมตกลงโอ้อ้กระดอนให้ยังขอเขียนต้องเสืยหนาเขียนมาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยตายก็ไม่เป็นไรหายก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ วิสูจนก็หลอดมาได้นี่คือคนไทยประเทศไทยประเทศไทยเป็น อ, อย่างนี้ไม่ชติศาสนาเห็นคนฆ่าของศาสนาเนี่ยอาวุจจชอสอนให้รู้เรื่องนี้เจ็บไม่เป็นทุกข์จร่งๆตายไม่เป็นทุกขก์ิก่งๆไม่มีทุกข์เนิดหน่อยท่านเลยมันทุกข์ไม่ทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่ทุกข์น มีปวดตบปวดท้องเนาะสุดยอดอ๋อใจไม่ได้สุดโอดเลยไม่ทุกนะมันมีอยู่จริงๆคับว่าไม่ทุกศาสนาเนี่ยโอ้ก็หมายคิดถึงคนถ้าคนเราไม่รู้เรื่องนี้จะทำไงแล้วยังเป็นห่วงเป็นห่วงคนที่ยืนเกาะกระจกนอนน้ำตาไหลเราเห็นทุกทุกนน้นเน เราต้องบอกเขาเช่นต้องสอนกรรมฐ า, านสอนอยังไงเราจะหายใจตายอยู่แล้วเราต้องไม่ตายไปช่วยคนฮอาชเส้นนุกไปเลยนะเอวังก็มีด้วยประการชะ น, นี้